Book 2ส4ชาที่โรงเรียนบิดาเลยสคูลเลยบิดาเลยสคูลเลเราอยู่ที่ไหนอมรากุทไทยอมรากุทไทย เราอยู่ที่โรงเรียนอัมราบิดดอลยอัมราบิยลยเรากำลังเรียนหนังสืออมาเดรคลาสสอเชอามาเดรคลาสอเ ช, ออชนั่นคือนักเรียนอระชาตรระชาตรนั่นคือคุณครู อุนินนั่นคือชั้นเรียนโอตาคลกราลาสกุอตาลเรากำลังทำอะไรอยู่อัมเรคีโกอรคกชิเรากำลังเรียนหนังสือ อัมราศึกชีชอัรากชเรากำลังเรียนภาษาอัมราอิคอติภาาชาอิคตชดิฉันเรียนภาษาอังกฤษอามีอังกฤษศึกชีอาชคุณเรียนภาษาสเปน ทูมีสเปนิชศชเิชศชอขาเรียนภาษาเยอรมันขาเรียนภาษาเยอรมันาเรียนภาษาเยอรมันเขาเรียนาเอรมันาเรียนภาษายรัเเราเรียนภาษาเรัเอามรารน พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียนตุมราชบายอิตาลียนชชกชตุมรชอบายอิตาเลียนก ช, ชพวกเขาเรียนภาษารัสเซียตาระราชียนก ช, ชตาระราชียนกชกา ร, ราาเรียนภาษานั้ น, นน่าสนใจภาษาศึกษา แอคต์ดาโรน์เบปাร์ภาษาศิাะตาแอคต์ดารน์เบปร์เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆ আ รามาাุษ ষ ক ে ব ু ঝ ์েตจัยเรามาลุษเก็บูช์เจยเราอยากจะพูดกับคนอื่นๆเรามาাุษชิษสงเกต่อท่าบุลเตจัยเรามาลุษชิษสงเกต่อท่าบจ